FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีถ้อยดำรัดตรัสสอนสั่งอย่างก้องหูทราบซึ้งอยู่มิรู้หายกลายเป็นอื่นกี่ปีเคลื่อนกี่เดือนพันกี่วันคืนยังยั่งยืนจงรักมัน่นนิรันดรการค่าพระพุทธเจ้า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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะดิฉันอารธิตยาปกทานางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็มีเคสข้อมูลข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาแนะนาแล้วก็มาพูดคุยกันนะรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะทาให้เราได้ รู้อะไรมากขึ้นและไม่ตกปเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะคะเริ่มต้นกันในวันนี้กับเพื่อนเตือนภัยค่ะช่วงนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้สัมผัสกับความหนาวกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยไปจนถึงข้ามปีเนี่ยก็มักจะมีพิธีสมรสพิธีวิวาพิธีที่มีเป็นมงคลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกันบ่อยครั้งแต่ล่าสุดค่ะเคสที่จะมาเล่ากันนี้นะคะเป็นคู่บ่าวสาว 10คู่ด้วยกันค่ ะ, ะนับ10รายนะคะตกเป็นเหยื่อของร้านออกแก้ไนจัดงานแต่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีหลอกรับจัดงานหลอกให้ซื้อบริการต่างๆแต่พอถึงเวลากลับไม่ได้บริการตามที่มีการตกลงกันไว้นะคะพร้อมกับเชิดเงินหนีเบื้องต้นคาดความเสียหายกว่า9 0 0 0แสนบาทค่ะ ทางด้านแฟนเพจเฟซบ o ๊กเรารักสุพรรณบุรีวีเลิฟสุพรรณบุรีนะคะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลโพสต์เตือนภัยให้กับบ่าวสาวที่เตรียมจะจัดงานวิวาดแลนระคังถูกร้านอ rganay จัดงานแต่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลอกรับจัดงานหลอกให้ซื้อบริการต่างๆแต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่ได้ให้บริการตามที่ตกลงค่ะโดยมีการระบุเนื้อหานะคะบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะคู่สาวสาวหลายคู่ถูกเจ้าของอ rganay ที่ชื่อวิการดาประทุมสูต เจ้าของจัดงานแต่งแห่งหนึ่งในเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีหลอกให้ใช้บริการเพื่อมาจำเงินก่อนทำงานแต่เมื่อถึงกำหนดวันงานจริงนะคะกลับไม่ได้รับบริการตามที่ตกลงกันไว้ยอดความเสียหายหลาย1ิบคู่และงานแต่งเสียหายรวมเป็นเงินกว่า9 0 0 0แสนบาทค่ะ โดยเจ้าของงานหนึ่งนะคะได้โพสต์บอกว่าตัวเองเนี่ยมัดจํายอดไป50เอร์เซนนะคะเป็นเงินกว่าสอ0 0มบาทเป็นออลกไนน้จัดงานแต่งในอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมัดจากันเรียบร้อยแล้วค่ะพอใกล้วันงานนะคะไปสอบถามความคืบหน้าเงียบหายไปเลยนะคะไม่มีการติดต่อกลับอะไรทั้งสิ้นก็เลยต้องรีบหาคนจัดงานใหม่เงินมัดจาที่จ่ายไปก็ยังไม่ได้คืนจึงออกมาเตือนภัยนะคะให้ผู้ที่จะมีการใช้บริการระมัดระวังตรงนี้กันด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมี การระบุว่าตอนนี้เป็นคดีนะคะให้ผู้ที่ต้องการจัดงานเพิ่มความระมัดระวังนะคะจะได้ไม่เป็นเหยื่อเพิ่มด้วยนะคะมีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วเรียบร้อยค่ะใครที่จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างออแกนายน ะ, ะงานแต่งระอว่างานอะไรก็ตามก็ต้องดูเรื่องของ การจัดงานต่างๆด้วยนะคะฟีดแบกแล้วก็รีวิวต่างๆนะคะประกอบนอกจากนี้นะคะดูรีวิวอย่างเดียวไม่ได้ด้วยต้องดูว่าคนรีวิวนั้นเชื่อถือได้จริงหรือไม่เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นหน้าหมาจัดมาก็ได้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าการขึ้นโดยสารสาธารณะนะโดยเฉพาะรถแท็กซี่ในปัจจุบันนีนะคะเราก็มักจะเห็นว่ามันมีความแปลก หรือว่าถูกโกงบ้างหละถูกหลอกลวงบ้างหละเกิดขึ้นน่ะนะคะแต่เคสล่าสุดค่ะเป็นเคสที่ทางเพจดังนะคะออกมาพูดถึงพฤติกรรมนะคะหลังจากมีแฟนเพจสาวท่านหนึ่งนะคะโพสข้อมูลไปใช้บริการแท็กซี่คันนึงค่ะถูกชาร์จขับโดยสารจ่ายรายหัวคนละ1นึงร้อยบาทนะคะก็ฝากมาเตือนภัยกับผู้โดยสารคนอื่นค่ะ เพจดัง Social Hunter นะคะได้ออกมาแชรพฤติกรรมแท็กซี่คันหนึ่งนะคะที่แถวเมเจอร์รังสิตเป็นประสบการณ์เล่าผ่านสาวที่ใช้บริการแท็กซี่คันนี้กับเพื่อนนะคะซึ่งมีเนื้อหานะคะาสาวท่านนี้เนี่ยเขามีการเล่าแบบนี้บอกว่าเรากับเพื่อนนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่มาลงเมเจอร์รังสิตถึงเวลาสองนากาสานาทีตีสองครึ่งนะคะก็ตอนลงรถก็มีพี่ๆแท็กซี่รอกันเป็นผีเฝ้าประตูเรียกให้ลงรถเลยค่ะ ตอนนั้นรู้สึกว่าวุ่นใช้ได้ทีนี้เรามากัน8คน <c oughs> ก็เลยแบ่งสองคันไปราชมงคลคลอง6ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะคะก็แบ่งรถกันไปใครใกล้หอไหนก็ไปคืนนั้นก็ไปคันนั้นนะคะขออภัยค่ะคันเพื่อนไม่รู้ยังไงแต่ตอนเราเดินไปที่รถรถที่เราขึ้นเนี่ยแต่งทั้งคันพอขึ้นไปนั่งปุ๊บสักพักมีพี่แท็กซี่คนหนึ่งมาขึ้นมาบนรถก็เอามือชี้หน้าและพูดว่ากลางคืนนะครับไม่ต้องเถียงการคิดคนละร้อยจ่ายแยก อึ้งค่ะปกติชอบฉากกับแท็กซี่เป็นประจำแต่รอบนี้ไม่กล้ากลัวตายคนอย่างเยอะจะลงก็ไม่กล้างงกับทั้งรถนั่งรถมาก็คิดตลอดทางว่าจะเอาอยัางไงดีไปลงสถานีตํารวจดีไหมหรือว่าจะไปลงที่มสวดีไกลๆก็น่าจะคุ้มหรือหาที่คนเยอะๆจะได้ฉะกันหรือบอกว่าพ่อไปตํารวจดีหรือจะอ้อนวอนว่า200ได้ไหมมีแค่นี้จะเอาเงินหรือว่าจะเอาแคบหมูนะคะสรุปค่ะก็เลยต้องจ่ายคนละ คนละร้อยนะคะ4คนไปครอง6 4สีทร้อยทำได้เพียงแค่แจ้งกับกรมการขนส่งทางบกเอานะคะแจ้งไปก็ไม่รู้ว่าจะจัดการให้ได้จริงหรือไม่อย่างน้อยๆคนอื่นก็ไม่ควรต้องมาโดนอะไรแบบนี้โกรธมากแต่ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโง่ด้วยไม่ลงรถแต่แรกเสียความรู้สึก หากินกันง่ายไปเชียงใหม่ระวังแทบตายแต่มาโดนที่รังสิตแทนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหมายเหตุด้วยนะคะก็คือรถภายนอกนะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะข้างในไม่มีอะไรเลยเป็นรถแต่งไม่มีใบอนุญาตไม่มีทะเบียนที่ประตูรถไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่ระบุนะคะแล้วก็ข้อสองก็คืออีกคันที่เพื่อนแยกไปเนี่ยก็โดนเหมือนกันเป็นรถสีส้มนะคะมีทุกอย่างเหมือนแท็กซี่ปกติเลยแต่ชื่อคนขับไม่ตรงค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของเจ้าของโพสต์เองมีการระบุ ค, ความคืบหน้านะคะบอกว่าหลังส่งเรื่องร้องเรียนไปนะคะก็มีข้อความตอบกลับมาว่าได้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ตักเตือนอบรมผู้ขับขี่แล้วโดยให้ปรับปรุงการให้บริการมิทําให้ผิดระเบียบอีกและได้บันทึกประวัติการกระทำผิดเอาไว้แล้วเรื่องร้องเรียนของท่านเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการลงโทษปรับเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตเป็นระเวลา1เดือนนะคะก็ ต้องระมัดระวังด้วยตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอข้างนอกนะคะโอ้โหดูน่าเชื่อถือมากเลยสภาพรถดีมากๆแต่พอขึ้นไปปุ๊บเจอแบบนี้มีอยู่เยอะนะคะขอบุณข้อมูลด้วยค่ะจากเว็บไซต์คมชัดลึกค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะกับเรื่องราวของความสวยความงามนะะเดี๋ยวนี้เรื่องของความสวยนั้นเขาบอกว่าความสวยต้องลงทุนนะคะก็ หลายหท่านบอกว่าลงทุนแพงป้ายแพงไปนะคะเห็นทางรัฐบางทีเขามีการแชร์ข้อมูลมาครีมนั้นใช้ดีครีมนี้ใช้แล้วได้ผลนะคะแป๊บเดียวได้ผลเลยหน่าใส่มากๆแต่ว่าครีมที่เราใช้นั้นถูกกฎหมายจริงหรือไม่และเป็นครีมที่ได้มาตรฐานจริงหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องเหล่านี้กันในช่วงหน้ากับเพื่อนเกินภัยค่ะเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่ยังพวกเราอาบน้ําร้อนมาหลาย10ปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆ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 เพื่อนเตืนภัยในช่วงนี้นะคะมาที่แวดวงสาธารณสุขกันนะคะล่าสุดค่ะมีเรื่องราวจากกระทรวงสาธารณสุขออกเตือนภัยนะคะใครที่อยากสวยนะคะแต่ว่ า, าเรียกว่าราคาประหยัดนะคะใช้เครื่องสําอางที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องสําอางปลอมน ะ, ะหรือว่าเครื่องสําอางที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเสี่ยงแพร้รุนแรงได้ถึงขั้นผิวด่างถาวรเลยค่ะ นายสาธิตปิดตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากกรณีของการเสนอข่าวนะคะมีผู้ใช้ Facebook ชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเตือนภัยนะเรื่องของการใช้ครีมแล้วก็เครื่องสําอางเถื่อนที่ไม่ได้คุณภาพนะคะก็โพสต์ภาพค่ะเป็นใบหน้าผู้หญิง2คนด้วยกันคนหนึ่งนะคะมีผิวกลายเป็นรอยแดงทั่วหน้าอีกคนนะคะใบหน้าบวมพองจนผิวหนังเนี่ยลอกออกมาเลยนะคะแล้วก็มีการแชร์ภาพของครีมแล้วก็เครื่องสําอางเถื่อนรวมถึงวิธีการผลิตครีมกวนเองด้วยก่บ วิธีที่ไม่ถูกสุลัาสนานะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าส่วนผสมของครีมนั้นมีอะไรบ้าง ท่านรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่ากระแสนี้ค่ะปัจจุบันในความนิยมในเรื่องของอาการดูแลตัวเองความสวยความงามเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะและกระแสของการขายเครื่องสําอางขายตรงบ้างละ่ะขายเครื่องสําอางออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นมีผู้เข้าสู่ตลาดนี้ได้ง่ายแล้วก็มากขึ้นนะคะทําให้มีการลักลอบใช้สารประหอดหรือว่าสารไฮโดรควินนในเครื่องสําอางเพื่อรักษาฝ้าจุดด่างดําซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าสา สารปลอดหรือว่าสารไฮดโดรควินนเนี่ยเคยเป็นสารอันตรายอันดับหนึ่งของเครื่องสําอางที่มีการใช้ในประเทศไทยมาก่อนแต่วรัฐบาล น, นั้นเข้มงวดมากขึ้นครีมเหล่านี้นะคะก็เลยลดความนิยมลงแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงแคบหรือว่าในตลาดใต้ดินเท่านั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัคคสินบอกว่าในการศึกษาขอสถาบันโรคผิวหนังนะคะของกรมการแพทย์เขามีการตรวจสารอันตรายในเครื่องสําอางที่ผู้ป่วยนั้นส่งตรวจนะคะ แล้วก็จากการที่ได้จากการซื้อขายผ่านตลาดนัดแล้วก็ตลาดออนไลน์ระหว่างปี 61-62 ถึงสี่รอยี่สิบตัวอย่างด้วยกันบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้กันว่าครีมหน้าขาวนะคะมีสารอันตรายถึงรอยละ25บหหมายความว่ารายค้าก็คือทุกๆ4ตลับนะคะ จะพบสารอันตราย1ตลับโดยสารประหลอดนั้นเป็นสารอันตรายที่พบได้บ่อยที่สุดราลงมานะคะก็คือสารไฮโดรควินนและกรดวิตามิน A นะคะซึ่งสารตรายที่พบในเครื่องสำอางเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดผลเสียนะคะต่อผิวหนังก็คือเกิดอาการระคายเคืองแสบแดงแห้งลอกกรณีที่มีอาการแพ้ร่วมกับมีผิวหนังอักเสบมากนะคะอาจจะมีน้าเหลือง อ่าซึมแฉะหรือว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้นอกจากนี้นะคะสารอย่างเช่นไฮโดรควีโนนเองเนี่ยก็ก่อให้เกิดรอยดำถาวรที่ใบนหน้าตามมาได้นะคะถ้ามีการสะสมของสารผิดปกติที่ผิวหนังค่ะอีประเด็นคือสารประรอดนะคะก่อให้เกิดพิษต่อระบบอื่นๆของร่างกายเช่นระบบประสาทตับ ไตระบบเลือดก่อให้เกิดปัญหากับทารกในครรภ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดถ้าหาไม่มั่นใจนะคะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีออยอรับรองค่ะ ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่จะเลือกใช้เครื่องสําอางเดี๋ยนี้นะเขามีการรีวิวแนะนํากันมาเยอะแยะในแฮชแท็ต่างๆในโซเชียลมีเดียนะคะเราเองก็ต้องดูได้ว่าเครื่องสําอางที่เขาแนะนํานั้นนะคะเป็นเครื่องสําอางที่ถูกมาตรฐานหรือไม่และถูกกับผิวหน้าของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางท่านเองพอซื้อมาใช้แล้วปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิวเพ่มกว่าเดิมหน้าพังกว่าเดิมนะคะก็ต้องระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะคะยังคงอยู่ในแวดวงของสาธารณสุขนะคะเมื่อรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลการเกี่ยวกับการกินแคปซูลกา ก, ากเพชเพื่อให้ถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าเป็นกา ก, ากเพชฟุ่งฟริง่งอะนะคะล่าสุดค่ะแพทย์เองเป็นการห่วงเทรนคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะคะที่มีการแชร์ข้อมูลเหล่านี้ออกมานะคะทางด้า น, นของวอลล่าแพนด้าค่ะเตือนนะคะบอกว่ากา ก, า ก, ากเพชแต่งอาหารเนี่ยต้องเป็นฟู้ดเกรดซึ่งทําจาก อาหารเกรดนะคะซึ่งทำจากแป้งข้าวโพดค่ะนักเทคนิคการแพทย์นะคะภาคภูมิเดชหัสดินนะคะหรือว่าผู้ใช้ f เฟ e บุ๊กหมอแล็บแพนด้านะคะได้เตือนภัยการรับประทานแคปซูลกากเพชรระบุว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรมนุษย์ถึงอยากให้ อ, อุจระกลายเป็นประกายกากเพชรแต่มันก็เป็นไปแล้ว ฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวตอนนี้มีกากาแครปซูล ก, กากเพชรเรียกกันว่ากลิตเตอร์ขายในต่างประเทศนะคะพอกินเข้าไปกา ก, ากเพชรก็จะปนออกมากับอุจจาระทําให้เปล่งประกายเฉิดฉายวิงวงิทีนี้เนี่ยคุณภาคภูมิเนี่ยเขาก็มีคําถามนะบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นกา ก, ากเพชรที่ใช้ตกแต่งอาหารนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะคะก็คื อ, อาสามารถกินได้ค่ะทำมาจากแป้งข้าวโพดน้ําตาลแล้วก็สิ่ผสมอาหารแบบแวววาวนะคะเป็นสีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยกินได้ซึ่งคณะกรรมการ สาระยาของสารัฐเนี่ยเขาออกมาระบุเลยว่าถ้าใครจะเอามาตกแต่งอาหารเนี่ยต้องเลือกใช้กลิเตอร์ชนิดกินได้หรือฟูดกรดเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกลิเตอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของพลาสติกขนาดเล็กนะคะซึ่งคนเนี่ยสามารถกินได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ส่งผลกับร่างกายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพลาสติกพวกนี้มันปนเปื้อนโลหะหรือสารเคมีนะคะซึ่งถ้ากินเข้าไปบ่อยก็จะมีผลเสียระยะยาวต่อร่างกายในอนาคตและอย่างหนึ่งนะคะกลิตเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กมากเบามาก ถ้าเผลอหลุดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจก็จะทำให้ปอดนั้นระคายเคืองไอหรือว่าหายใจติดขัดได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นฟู้ดเกรดนะอย่าไปลองเลยค่ะนะก็ถือว่าอันตรายนั่นเองนะคะฉะนั้นของความเห็นค่ะอาจารย์ดิกรมอนามัยนะคะแพทย์หญิงพรรณพิมลวิปุลากรพูดถึงกระแสของการกินกากเพชรหรือกรตเตอร์เพื่อให้อุจจระสวยงามหรือ ฟุ้งฟิงนะนะคะคุณหมอบอกว่าต้องดูนะคะว่ากากทีร่รประทานเนี่ยเป็นแบบใดก็มี2แบบนะคะก็คือกากเพชี่ใช้ประดับตกแต่งขนมแต่งหน้าเค้กหรือเบกเกอรี่การพิชนิดนี้นะคะย้าว่าแม้จะรับประทานได้แต่ก็ไม่ใช่อาหารที่ควรจะรับประทานนะคะซึ่งองค์การอาหารแะยาของสหรัฐในคราระบุนะคะบอกว่าไม่ควรรับประทานหรือรับประทานน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาไปตกแต่งขนมต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสรับประทานได้แต่ก็ไม่แนะนำให้ประทานเป็นจํานวนมากนะคะแต่การรับประทานเข้าไป แล้วอุจระออกมาเป็นกากเพชรเนี่ยต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นกากเพชรที่ใช้ในการแต่งอาหารจริงหรือไม่นะคะหรือเป็นกากเพชรทั่วไปที่ใช้ใน กาตกแต่งอื่นๆนะะที่ทํามาจากพลาสติกนะคะแล้วก็ใช้สีนะคะที่ไม่ใช่สีผสมอาหารด้วยเพราะว่าตามหลักแล้วค่ะกากเพชรที่ใช้ในการแต่งอาหารเนี่ยจะทํามาจากเจลาตินหรือว่าแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารให้ดูแววาวซึ่งร่างกายสามารถย่อยได้ก็ไม่น่าจะเหลือออกมาในอุจจระส่วนการรับประทานกา ก, ากเพชรแต่งอาหารเนี่ยไม่มีการตั้งมาตรฐานนะคะว่าวันหนึ่งคนกินไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยค่ะระบุว่าไม่ควรจะรับประทานเลยนะคะหรือว่าควร รับเข้าร่างกายให้น้อยที่สุดนะคะถามว่ากระแสเรื่องของแปลกๆตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เชื่อนะคะว่ามาจากความอยากลองนะคุณหมอบอกแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะอยากลองอะไรที่แปลกๆใหม่ๆตื่นเต้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่า ลองนะคะแล้วก็การถ่ายอุจาระฟรงฟริงอวดโซเชียลก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันก็มีความอันตรายอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วก็อาจจะตื่นตาตื่นใจนะแต่จริงๆแล้วไม่น่าลองเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วก็รู้ว่ามันอันตรายแน่นอนนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะจะมาฟังเรื่องราวอุทาหรณ์นะคะเด็กชายวัยเพียงแค่13ปีแต่ต้องเสียนิ้วไป3นิ้วเนื่องมาจากว่ามีการเก็บประทัดมาเล่นนะคะทําให้เกิดการระเบิดขึ้นเดี๋ยวจะตามรับฟังในช่วงหน้าค่ะ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 อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอรทรัญบุรีศูนย์รังสิต ท, ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิก30นาทีถึง17นาฬกาขัดสั่คุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิ์โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอน้าสมุนไพรประครบสมุนไพร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 การันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีรา ช, ชมงคลทัญบุรีศูนย์ ร, งรังสิปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทรศูนย์ส9 9 9เเพื่อนตันไพในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ เป็นกรณีข้อมูลค่ะในช่วง น, นี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสคลิปวิดีโอเตือนภัยเกี่ยวกับชายขับจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ปาดหน้ารถพยายามจอดให้ชนนะคะพร้อมกับระบุข้อความเตือนภยัยเขาบอกว่าเราชนเขาแต่ที่เห็นคือเขาเร่งเครื่องมาปาดหน้าแล้วเบรกอยากให้เราชนถ้าเราชนเขาจริงอย่างที่เขาบอกเขาจะขับหนีทําไมมิจฉาชีพหรือเปล่าขอบคุณพี่ๆที่เห็นเหตุหการณ์บริเวณนั้นด้วยนะคะเบลอรถไ ร, ถร้รอยชนหรือแตกหักใดๆเพราะเราเบรกทันแบบนี้ก็มีด้วยใครเคยเจอบ้าง เคยเห็นแต่ที่จีนที่วิ่งมากระโดดใส่หน้ารถเหตุเกิดที่แยกพัทยาเหนือตรงไฟแดงสายสซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจากโพสต์นี้จํานวนมากเลยค่ะเรื่องเหล่านี้นะคะคือคุณวลีนีเลอแฟบนะคะอายุส3ปีเขาก็มีการไปแจ้งความนะคะที่สพเมืองพัทยาโดยบิดเผยถึงเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนเวลาประมาณ15บหนากาสบนาทีบ่ายสามโมงครึ่งนะคะซึ่งเธอได้ขับรถยนต์มิตซูบิชินะคะมาตามถนนพั อพอถึงแยกพัทยาสายสามปรากฏว่ามีชายไทยอายุประมาณ 25-30 ปีขับรถจักรยายนยนต์ y มา a h าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปาดหน้าก็ลงมาจะต่อยตัวเองหาว่าขับรถชนแต่ตัวเองมั่นใจว่าไม่ได้ชนแต่อย่างใดและบอกว่าจะเรียกประกันให้ถ้าคิดว่าตัวเองชนจริงปรากฏว่าระพูดอย่างนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยขับรถหลบหนีไปค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณวลิลี่ก็เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจนะคะแล้วก็ขอเตือนภัยถึงสังคมด้วยระมัดระวังบุคคลลักษณะดังกล่าวที่เธอแชร์ข้อมูลนะคะเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้โชคดีที่มีกล้องหน้ารถและก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบคผู้ฟังอย่างที่ฉันได้แนะนํากันไปเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะฮิตกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ การขับรถยนต์ด้วยกันนี่แหละค่ะขับเบียดนะคะเป็นขบวนการนะขับเบียดปาดหน้านะคะสองคันให้เราไปชนอีกคันหนึ่งแล้วก็เรียกร้องนะคะเรียกเอาเงินนะคะไม่ไปสอนอไม่ไปหาตำรวจนะคะวิธีที่จะแก้ไขเราก็บอกไปเลยนะคะว่าเราจะมีการเรียกประกันและขอไปที่สอนอนะคะติดต่อสถานีตำรวจโดยตรงเลยค่ะ ทิ้งท้ายกันนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยคะ่ะเด็กชายวัเพียงแค่13ปีต้องตัดนิ้ว3นิ้วทิ้งเนื่องมาจากว่ามีการเก็บประทัดลูกบอลนะคะมาจุดเล่นและระเบิดใส่มือค่ะกรณีนี้นะคะเป็นเด็กชายวัเพียงแค่13ปีพร้อมเ พ, อเพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยนำเอาประทัดลูกบอลไปจุดเล่นนะคะระเบิดใส่มือนะคะจนเลือดอาบและนิ้วขาดนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ตาบลโพนทองอําเภอเมืองจังหวัดกาอากลสินธุ์นะคะซึ่งแพทย์ได้ทําการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน โดยทางด้านของ คุณชัยธวัฒน์เนียมสุรินะคะผู้ราชาการจังหวัดกรสินได้มอบหมายให้คุณนงนิดเนียมสุรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินนะคะแล้วก็แนวพื้นเมืองกรสินคุณสมเจตเต็ง ม, มุนคนพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติแล้วก็ชมรมแม่บ้านมหาไทยกรสินนะคะไปเยี่ยมอาการของน้องคนนี้นะคะซึ่งนองอ่านอนพักรักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมโรงพยาบาลกระสินนะคะหลังจากที่แพทย์ทําการผ่าตัดมือและนิ้วข้างขวาดย โดยมีคุณยายนะคะแล้วก็แพทย์พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจากกาสอบถามนะคะทราบว่าเด็กชายเพียงแค่13ปีคนนี้อาศัยอยู่กับยาย2คนเนื่องมาจากว่าพ่อแม่แยกทางกันไปตั้งแต่เด็กๆส่วนตา ก, ก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเกิดจากการไปเล่นประทัดลูกบอลขนาดเกือบเท่าลูกปิงปองนะคะซึ่งเด็กชายเนี่ยได้ ไปเก็บมากับเพื่อนๆนะไปเก็บมาจากข้างเมนเผาศพที่วัดคาดว่าน่าจะเหลือจากการจุดในพิธีเผาศพนะคะแล้วก็นำมาจุดเล่นที่หลังโรงงานแป้งมันใช้มือจับจุดค่ะแต่โยนไม่ทัน เกิดการระเบิดใส่มือจนได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้ก็เลยอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะไปอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งอยู่ในวัยซุกซนแหละเด็กๆก็ไม่รู้นะคะว่ามันอาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่าปล่อยไปจุดเล่นประทัดนะคะเพราะว่าอันตรายอย่างมากเลยส่วนร้านค้าต่างๆค่ะโดยเฉพาะร้านขายของชําในหมู่บ้านก็มีการกำชับผู้ปกครองประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านดูแลสอดส่องนะคะให้มีการนําประทัดมาขายกับเด็ก ซึ่งหพาพบว่ามีการนำมาขายกับเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะอาการล่าสุดของน้องนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่าต้องตัดนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางข้างขวาที่บริเวณปลายนิ้วข้อแรกออกไปทั้ง3นิ้วนะคะเนื่องจากเป็นแผลชกันแล้วก็ขาดออกจากแรงระเบิดค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะในช่วงนี้ค่ะจากปัิชนออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์แนวหน้าค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรานํามาแชร์ข้อมูลแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการกับเพื่อนเตือนภัยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกเช้าวันพระราชบตดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะส่วนในวันนี้นะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ขอให้เป็นวันที่ทุกคนนั้นได้มีความสุขนะในการทํากิจกรรมกับคุณพ่อหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เรานับถือว่าเป็นคุณพ่อหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความ สำคัญกับเรานะคะได้ใช้วันหยุดกันอย่างมีความสุขนะคะใครที่ได้วันหยุดก็ถือเป็นโชคดีนะคะส่วนใครที่ทํางานในช่วงวันหยุดนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะโทรศัพท์ไปหากันสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะส่งความสุขการผ่านข้อความนะการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อาจจะรอเวลาสักนิดในการใช้เวลาว่าในช่วงวันหยุดกันนะคะเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสําคัญได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรื่องราวเพื่อนตันภพยหมดลาลงแล้วนะคะติดตามรับฟังกันในครั้งหน้าลาไปแล้วสวัสดี สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving towards innovative university วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต